ด้วยกรรมสกตาจริงๆนะะอันนี้แหละเรียกว่ากำหนดสมุทัยได้ใส่ใจในสมุทัยได้ทีนี้เราคิดยังไงว่าปฏิบัติยังไงนะจะได้เบื่อหน่ายคลายกําหนัดในขันธาตุอเยตนะเหล่านี้เบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในชรา ม, มรณะเหล่านี้เราคิดยังไงหนอะอันนี้จะเริ่มเข้ามาล้วเห็นภายในวัตตในภูมิสามไหมตรงนั้นแล้วค่อยมาว่าเออเนี่ยสิ่งที่เราคิดนะ เกื้อกูลต่อความเบื่อหน่ายในวัตฏะในภูมิสามไหมถ้าบอกว่าความคิดของเราเนี่ยเกื้อกูลต่อความเบื่อหน่ายในวัตฏะในภูมิสามนั่นเป็นสัมมาสังกปะคำพูดใดที่เป็นแนวโน้มเป็นบาทแห่งการออกจากวัตฏะในภูมิสามคำพูดนั้นเป็นสัมมาวาจาพฤติกรรมทุกชนิดถ้าเกื้อกูลต่อการออกจากวัตฏะเป็นสมากมันตะการประกอบอาชีพโดยที่ไม่ได้ขัดต่อการออกจากวัตฏะเลย อันนี้เป็นสัมมาอาชีวะแล้วความภาคเพียรของเรามันเกื้อกูลต่อการออกจากวัตฏะไหมอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะทีนี้พวกที่มิจฉาสติที่ระลึกเศ้าวัตฏะเขาคิดยังไงรวมๆแล้วนะโลกนี้ก็โสภาหน้าพิรมโลกนี้ก็งามไปหมดเลยมองดินเป็นดอกไม้ได้หมดอะตรงนี้นะถ้ามีดอกนั้นงอกขึ้นมาคงจะสวยตรงนี้ มองไ ป, งป็ง่าไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นความคิดที่ลักษณะเป็นมิจฉาสติเช่นความระลึกไปว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตาอันนี้เป็นมิจฉาสติความสงบถ้าเป็นสงบที่เป็นไปกับมิจฉาสติเป็นต้นดูดอกไม้แล้วสบายใจดีไม่ฟุ้งเนี่ยนมีไหมเออนั่งดูดอกไม้สวยๆก็สบายใจดีเหมือนกันนะนั่งดูปลาว่ายน้ําก็สบายใจดีเหมือนกันนะเคยไหม เคยตั้งดูปลาว่ายน้ําเล่นเออมันน่ารักดีเป็นกันเออสบายใจดีดูนกให้มันสบายสบายใจหน่อยมีไหมความคิดเหล่านี้นี่แหละที่เป็นมิจฉาสมาธิความสงบเหล่านี้นะสแสวงหาความสบายเหล่านี้แหละเป็นมิจฉาสมาธิสแสวงหาความสบายจากการเพลิดเพลินในวัตถุ ก, กามเป็นต้นทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะจึงไม่ได้ออกจากวัตตะแตนี้มาดูว่าคิดยังไงจึงจะออกจากวัตตะได้ ประกอบอาชีพยังไงจึงจะออกจากวัตฏะได้อะความคิดเหล่านี้เนี่ยจึงจะเป็นสายมักอันนี้วิธีแยกแบบอะไรนงแยกแบบใช้ระบบข้อมูลมากตั้งเครื่องแยกแยกเลยถ้าเราไม่ศึกษาอย่างนี้นะี่ยเราก็จะคิดทุกคำถามว่าเอันนี้ใช่หรือไม่อันนั้นถูกหรือเปล่าอันนี้ผิดหรือไม่เนี่ยนะก็ต้องมาศึกษาโครงสร้างของวัฏฏะศึกษาโครงสร้างของวิวัฏฏะหรือมห้ามาแบบถ้าใครที่ อย่างเช่นจําโลกานี่โรถ้าสูตรได้ความคิดใดที่เป็นไปเพื่อสร้างตาความคิดนั้นผิดเป็นมิจฉาปฏิปทาความคิดใดที่เป็นไปเพื่อสร้างหูความคิดนั้นก็ผิดสร้างจมูกก็ผิดความคิดที่เป็นไปเพื่อสร้างตาคืออะไรสีในโลกงามมากความเห็นลักษณะเนี่ยนะมองเห็นสีในโลกเป็นของสวยงามความคิดอันเนี้ยคือความคิดเพื่อสร้างตาเสียงในโลกก็แหมเพลงนั้นก็ดีนะเพลงนี้ก็ น, น่าฟังเป็นต้น คนโน้นพูดก็น่าฟังเปต้นเพลยอเพลย์ในเสียงความคิดนั้นเป็นความคิดที่เพื่อสร้างหูตันหาตัวสร้างหูก็อาหารก็ยังอยากทานอีกตั้งหลายอย่างอันนี้เป็นความคิดที่สร้างลิ้นเออที่นั่นก็สบายที่นี่ก็สงบที่นั่นก็น่าอยู่ที่นี่ก็น่าพักผ่อนที่นี่ก็น่าเดินที่นั่นก็น่านอนที่นี่ก็น่าพักอันนี้เป็นความคิดเพื่อสร้างกายแล้วก็เพลอเพลินในตัวความคิดอันนั้นนั่นแหละเป็น แนวความคิดที่สร้างใจคิดไปเรื่อยมีความสุขกับการตรึกกุศลวิตกหรืออะไรก็ตามอันนั้นแหละคือสร้างสรุปว่าความคิดที่มุ่งสร้างวตัตตาคือเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นนการเพลิดเพลินในอารมณ์ถามว่าขัดกับวิปัสสนาไหมขัดความเพลิดเพลินในอารมณ์เนี่ยว่าโดยสรุปนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราประเทศก็ประเทศของเรานี้โลกของเรา วิบของเราความคิดลักษณะนี้แหละความคิดที่สร้างวตะเมื่อใดเนาะจะเห็นว่านั่นทั้งหมดคือชราและมรณะถ้าเป็นความเห็นลักษณะแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆมันจะเป็นไปเพื่อหดออกจากวัตะอย่างการประกอบอาชีพเราก็มามองว่านี่เพียงให้อัตภาพเป็นไปได้เท่านั้นแหละเพื่อที่จะได้ประพฤติอริยมรัฐเพื่อออกจากวัตะถ้ามีพื้นเพแนวความคิดแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหาหรอก เราจริงๆเราต้องการออกจากวัฏะในขณะเดียวกันก็มีกรรมสกตาที่แยกอะไรเป็นวัฏะวิวัตะได้ความคิดลักษณะเฝ้าวัฏะคือวิปลาสความคิดที่เป็นไปเพื่อออกจากวัฏะคือความไม่วิปลาสถ้าเราประกอบอะไรก็ตามถ้าเป็นไปเพื่อส่งเสริมวิปลาสไม่ใช่เลยไม่ใช่เป็นความคิดที่จะออกจากวัฏะการวินิจฉัยเกี่ยวกับมรรคมีองแปดเนี่ยถ้าว่าไปตรงๆ เอาอริยศาสตร์มาเป็นตัวตั้งดีถ้าไม่เอาอริยศาสตร์เป็นตัวตั้งเลยนะเอาทุกข์กับสมุทัยมาเราก็ยากที่จะเอออย่างเช่นอากุศลสังกตะเป็นสมุทัยเหมือนกันเนะีเป็นสมุทัยแห่งวาาัฏฏะใช่ไหมหรือกุศลสังกตะที่ไม่ใช่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ยังเป็นสมุทัยแห่งวัฏฏะอีกอยู่ดีก็ขี้ยงยังไงจนกว่าจะออกจากสังขารธรรมทั้งมวล ซึ่งถ้าใครกําหนดแยกแยะส่วนเหล่านี้ได้ศึกษาพระธรรมนี่จะสนุกเพราะว่าคําสอนของพระองค์ก็อย่างว่านะเป็นธรรมที่ชี้ส่วนแห่งโลกุตระเรื่องอภิญญาธรรมเนี่ยเขาครอบคลุมไปถึงอริยสัต์คือมรรคสัจเพราะฉะนั้นยาตัปริญญาในในมรรคสัจก็คืออย่างเนี้คือพระอาจารย์ได้ทําปริญญาในตัวมรรคสัจมาให้ดูนี่นี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งของ ของปริญญาเบื้องต้นที่จะต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับมรตัวองค์มรตเนี่ยนะครับใช่ไหมครับอาจารย์มาเช้านี้ด้วยนะฮะมาเช้านี้พระอาจารย์ทําปริญญาในมหาพุทธ ร, รูปทือว่ากายานุปัสนาเนี่ยนะเป็นการทําปริญญาในลักษณะของพระสูตรนะจะเห็นว่าอาจารย์อ้างถึงว่ามหาพุทธ ร, รูปนั้นมีปัจจัยอะไรยใช่ไหมครับนะนั้น ตกลงก็ตอบคาถามไม่ยังครับมาได้นะผมอยากให้อาจารย์ทันติเพิ่มเติมนิดนึงนะคือว่าในกุศลกองบรสิทเนี่ยนะที่ว่าเราสามารถที่จะแตกไปถึงเป็นสามสิบหรือสี่สิบนะที่ว่าถึงไม่ทําบาปแต่ก็ไปเห็นดีด้วยหรือว่าส่งเสริมเดินเท่าไหร่ก็ชั้นแรกเป็นสี่สิบนะครับก็คือตัวทําเองนะครับอย่างที่สองก็คือใช้ผู้อื่นทำอย่างที่สามก็คือยินดีเมื่อผู้อื่นเขาทาแล้ว แล้วก็อย่างที่สี่ก็คือสนับสนุนสันเสริญสนับสนุส น, นให้เขาทํานะครับก็สามารถที่จะให้ผลได้แต่ว่าการให้ผลได้เนี่ยถ้าเอาองค์มาจับเนี่ยนะครับอย่างการที่เขาทําสําเร็จแล้วเขาฆ่าสัตว์แล้วเราก็ยินดีด้วยเราก็สรนเสริญด้วยอันนี้มันไม่ได้ครบไม่ครบองค์กรรมบทแต่มันก็สามารถที่ให้ให้ผลได้ก็พระโพธิสัตว์มีโยชาติอย่างนั้นไห ญาตินี่เขาหาปลาได้เยอะโอดีใจด้วยนะหากันเก่งจริงๆได้ปลามาตั้งเยอะเลยตอนที่พระญาติถูกฆ่าพระพุทธเจ้าปวดหัวมากไม่ได้ปวดหัวเครียดระตายหรอกแต่ว่ากรรมที่ญาตินั้นตรงๆเป็นผลของการเบื่อปลาฆ่าปลาแต่พระพุทธเจ้าเป็นผลของอะไรเป็นผลที่ยินดีไปกับเขาอ่ะที่เขาหาปลาได้เยอะอ่ะลักษณะนั้นก็คืออย่างสมมุติถ้เราอะไรนะ เราเห็นเขาค้าน้าเมาได้เยอะเราก็ดีใจแบบเขาเออดีนะค้าขายได้ดีกําไรดีร่ํารวยเยอะเราก็มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับคนปัญญาอ่อนน่ะแตเราเป็นเจ้าของร้านเหล้าเราไม่ดื่มแล้วก็อะไรเลยไม่ไม่ร่วงกรรมบดก็จริงอยู่อ่ะแต่เราก็เป็นมีคนบ้าในอุปการะของเราเยอะอะคือมันต้องได้เกี่ยวข้องกับคนประเภทอย่างนั้นน่ะนะเพื่อนประเภทไม่เต็มไม่เต็งไม่อะไรที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับประเภทอย่างนั้นเลย เป็นผลอย่างเบาของกะหันเกี่ยวข้องกับสายสุรามีไรนั่นก็คุยกับคุณพ่อประจํา บ, บอกคุณพ่อเราเกี่ยวข้องกันในชาตินี้นะพอชาติหน้าบ้ามาไม่เกี่ยวกันนะมไม่ได้ส่งเสริมนะมันห่างๆกันหน่อยดีก็เม่อกี้มีคุณโตเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าทำบัญชีในในบริษัทที่เขาสมมติว่าบริษัทเขาฆ่าไก่เหมือนกันเถอะแล้วก็ต้องพิจารณาตัวเองละตอนนี้นะมีหนึ่งไม่ได้ฆ่าเอง สองให้คนอื่นข่ามาเอ๊ไม่ได้ให้คนอื่นข่าสมมตินนะดีใจไหมถ้าไม่ดีใจนะเอ๊มีส่วนส่งเสริมไหมนี่มันได้โบนัสนะมือมันขายไก่เยอะๆกันดีเหมือนนอ่เอ้ยมันหน่อยๆเหมือนกันนะเอออันนี้อันนี้มันเพราะว่าธรรมนเป็นเรื่องละเอียดมากเลยนะพก็นั้นเวลาผลให้จึงวิกิตพิสดารมากนี้ก็เราก็คิดดูว่าถ้าเราอยากที่ปรารถนาที่จะออกจากวัตฏะ ผู้ที่จะออกจากวตาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนอาวรนมหาพูดนั่นรายได้เยอะนี้รายได้น้อยนั่นร่ํารวยนี้จนเป็นต้นเนี่ยทั้งหมดนั่นก็คือมหาพูดมั้นคนที่ปรารถนาจะออกจากวตากําหนดมหาพูดไม่เป็นแล้วมันจาเป็นจะต้องอะไรตัวอย่างอะไรนะพระเถระรูปหนึ่งโลกว่บอกว่าอย่างเขาเห็นชัดเลยนะเห็นชัดของกษัตริย์เขาว่าอะไรโอ้ยนี่เอาซี่ไม้ไผ่มาต่อๆ่ต่อตกัตตตตนมันมีอะไรในนั้นอ่ะมนะั้น เออนี่ความคิดท่านเป็นแบบนั้นนะมหรืออะไรก็บกแบบแบงก์อ่ะก็มองมีค่าเหมือนกับกระดาษทาสีจริงๆอาหารท่านก็ไม่คิดใช่ไหมตอนอยู่บนจานกับตอนเททิ้งที่ห้องน้ํามันต่างกันตรงไหนคือท่านมองออกอย่างนี้หมดจนไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปทำบาปทําอาคุศสเพราะเหตุแห่งมหาพูดอันนั้นคือวิจารณญาณท่านแม่นยําถ้าเราบอกว่า เ, เราจะออกจากวาตัตฏะเอ้ยนิพพานของเรามันคืออะไรกันแน่ ถ้ายังอะไรในมหาพูดยังไงก็ไม่นิพานอยู่แล้วล่ะเออมหาพูดก็ดีนิพานก็ไม่เลวหรือเอาทั้งสองอย่างเอาที่เรื่องยาวจนกว่าคุณจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละถ้าบอกว่ามหาพูดดีนะนิพานเนี่ยถือเป็นของเลวสําหรับคุณนิพานเป็นของปฏิกูลทันทีเลยนะถ้าบอกว่ามหาพูดดีเมื่อใดที่ใส่ใจวัฏตะหน้าโสภาหน้าปรารถนาะเมื่อนั้นเรามองเห็นว่านิพานปฏิกูลอาชีพยาบาลเหมือนกันนะ มีส่วนเกี่ยวข้องไหมเห็นว่าอาจารย์จุจินบอกว่าเวลาจะให้ยาฆ่าพยาธิบอกเออขอเว้นได้ไหมหรุ่นน้องออกไปใช่ไหมลุนน้องเขารู้ใจเลยใช่ไหมว่ายาฆ่าพยาธิลุ่นน้องเขาก็เอาไปให้เองเลยนะไม่พูดใช่ไหมไม่พูดเลยใช่ไหมพูดนะเอออันนั้นก็ไม่รู้นะมันเปื้อนไว้บ้างยังก็ไม่รู้นะเอาเอาแล้วเอาแล้วเอเอคก็ต้องพ่อหมอสั่งแล้วทําเฉยเลยอะ คือหลานผมมันนะชื่อหมอวันลบมันนะจะเป็นหลานแม่บ้านผมอ่ะเขาบอกว่าไอตอนที่สั่งยาไอข้าพยานเนี่ยนะเขาไม่สั่งนะเขาว่าไงก็ไม่สั่งนะหมอหม อ, หมอปา น, น่หม อ, หมอว่าลบว่าไงนะเขาบอกว่าเขาไม่สั่งละวันนี้เขาไม่ยอมสั่งจริงๆนะเท <พอ S 2> ความเป็นจริงเนี่ยนะเรามีเหตุผลจนต้องทําบาปรือว่ามีเหตุผลจนไม่ต้องทําบาปมันอยู่ที่เรานะขอมาไม่ค่อย ไม่ใช่ว่าเออเนี่ยมันจําเป็นมากอย่างนั้นอย่างนี้นะมีเหตุผลจนต้องทําปาณาติบาตเลยหรือมีเหตุผลจนต้องอธินนาทานเลยหรือมีเหตุผลจนต้องการมีจนต้องมุสาวาตจนต้องดื่มสุราจําเหตุผลต้องต้องเสียสินเลยหรือโอแสดงว่าคุณมีเหตุผลจนต้องตกนรกอ่ะมันจําเป็นอ่ะนะอย่างเงี้ยนะมีเหตุผลจนต้องตกนรกหรือมีเหตุผลมากที่ต้องดื่มยาดัน้ํากรดครั้งนี้ ถ้าเราไม่อาบน้ํากรดนะเดี๋ยวผัวเขาไม่รักเราต้องอาบน้ํากรดซะหน่อยให้ผัวรักว่าเออจริงใจต่อกันมากดีไหมเราไม่รู้หรอกว่าทําบาปแต่ละครั้งเนี่ยมันมีโทษขนาดไหนเพราะจริงๆแนละ้วเรามองอะไรมันมองแค่สั้นๆอ่ะนะในเพื่อนอะไรนะถ้าแกรักฉันจริงนะเนี่ยต้องดื่มยาพิษแก้วนี้นะประกาศว่าเธอเนี่ยรักฉันจริงอย่างเงี้ยนะเธอต้องดื่มยาพิษให้ฉันดูเพื่อว่าเราจริงใจต่อกันนะ เชื่อไหมในแวดวงคนพาลเนี่ยคิดอย่างนั้นจริงๆถ้าเรารักกันจริงนะเพื่อนเราต้องดื่มเหล้าแข็งกันแวดวงสมัยอมาวัยรุ่นนะ่ยอย่างนั้นแหละเออถ้าชอบพอกันจริงนะขวดนี้สองคนเอาไหมแก ต, ต้องกรีดเลือดแกมาใส่ด้วยนะฉันจะกรีดเลือดฉันใส่แล้วดื่มด้วยกันนี่แหละหมดแก้แล้วก็เมาแอรักกันมากกอคอกันตกนรกเลยอนะมันมีเหตุผลจนต้องตกนรกด้วยกันนะอ่นะอนี้คือในแวดวงของคนพาลทั้งหลายเนี่ยเขาทํากันอย่างนั้นจริงๆ หลายๆคนเนี่ยความคิดบางอย่างเนี่ยนะเรามีเหตุผลจนต้องทําบาปอย่างที่ธนัญชานีพราหมณ์นช่ไหเขาบอกว่าพระสารีบุตรผมเนี่ยนะจะให้ผมไม่ประมาทได้ยังไงผมเนี่ยนะมีพ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูผมเนี่ยมีบุตรภริยาจะต้องเลี้ยงดูผมเนี่ยมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมประจําผมเนี่ยนะมีค่าทาศกรรมกรพิคนงานผมเนี่ยนะจะต้องทําบุญให้แก่พวกเทวดาผมเนี่ยต้องเสียภาษี ผมเนี่ยจะ ต, ต้องเลี้ยงดูตัวเองจะให้ผมไม่ประมาทได้ยังไงภาษารียบวกก็ถามง่ายๆมีเหตุผลเหล่านี้ไปคุยกับนายนเรียาบาลได้ไหมมีเหตุผลไม่ว่าเขามีไอ้ชายคนหนึ่งะนะเขาไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่ฐานะสูงกว่าเขามากเขาก็หลอกตัวเขาเองว่าเขาเป็นคนมีฐานะมาตลอดไปหลอกฝ่ายหญิงเอาไว้นะเสร็จแล้วก็ไปขอแต่งงานด้วยก็เลยไปขอมั่นขออะไรเขาก็เรียกสินสอดมาแพงมากเลย ก็เลยเออทําไงดีก็เลยปล้นธนาคารเพราะสินสอดมันเป็นแสนแสนใช่ไหมเนี่ยไอตัวเองเนี่ยปลอมตัวเป็นคนรวยมาตลอดเนี่ยไอจะไม่ตกลงรับคําก็รับไปแล้วอะ่ะก็เลยไปปล้นธนาคารถ้าขามว่าขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยโรงศาลก็จะเห็นด้วยไหมว่าเออไอนี่มันบูชาความรักมันถึงลงทุนปล้นธนาคารปล่อยวันไปให้เงินไปก้อนหนึงให้มันไปแต่งงานได้ไหมไม่ได้เหตุ hey, ผลในหลายอย่างที่คนอ้างมาทําบาปเนี่ย เป็นเหตุผลที่น่ากรุณามากถ้ามองในระยะยาวๆถ้าหากว่าเราเลือกทำอะไรได้ก็ควรเลือกโดยเฉพาะทางที่จะออกจากวัตะเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ามีช่วงคราวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกครั้งคราวที่จะบอกหลักเพื่อจะออกจากวัตฏะนะช่วงคราวมันก็ต้องเสียสลากันบ้างแต่ถ้าไม่คิดจะสลามหาพูดเลยนะอมมหาพูดไว้ตลอดมันก็ไม่ใช่คาสอนพระพุทธเจ้าอีกคาสอนของเดรรทีทั้งหลาย พูดง่ายๆเลยนะถ้ามองเป็นรูปธรรมคือคําสอนที่ให้กลืนมหาพูดเข้าว่าให้เสร็จสับให้กลืนเนี่ยนะสูบมหาพูดอยู่ที่ไหนก็ดูดมาอ้าปากแล้วก็ดูท้ายหมดอันนั้นคือคําสอนของเดรธีเป็นอย่างนั้นอยู่ในคราบพระพิสุหรืออยู่ในคราบใครก็ตามเถอะแต่ถ้าคําสอนนี่มุ่งดูดมหาพูดเข้าท้องตนนะนั่นแหละเป็นเป็นของเดรธีถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าบอกขย้อนออกคายออกซะเถอะขย้อนออ ก, อ, อ, อ, กอาเจียนออกทีละอย่างสองอย่างกันฮะ อาเจียนอาเจียนจนโอ้จนรายโรคอ่ะนะวิราคาเขาจึงแปลว่าอะไรสำรอกออกมันเป็นลนักษณะการขย่อนออกอ่ะโดยที่สุดแม้กระทั่งว่าเอาระดับสูงที่สุดเลยนะไอการห่วงครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมสังคมประเทศไหนเขาก็ว่าดีทั้งนั้นอ่ะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าสอนว่านี่นะท่านถ้าท่านห่วงครอบครัวคนที่ห่วงอย่างเนี้ยตายแล้วมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงทางนี้หรอกขอให้คิดถึงเกาะให้มันดีๆไปให้ดีนะ ถ้าท่านว่าห่วงแถวบ้านก็เกิดมาเฝ้าบ้านนี่แหละมันอย่าห่วงเลยการห่วงอะไรอาวรณ์ในของเก่ามันตายแล้วเป็นทุกข์ไงนะอย่างนันท ม, มาตาใช่ไหมเขาไปบอกสามีเขานะก็บอกว่าท่านไม่ต้องห่วงหรอกฉันเนี่ยจะไม่นอกใจเธอหรอกสรุปว่าตายโดยไม่ต้องผวงหลังหรอกผู้ตายพะวงหลังเป็นทุกข์คือสอนให้ตัดอะไรอาวรณ์สอนให้ตัดเยื่อใหญ่ทั้งหมดเพราะว่าถ้ามีสังขารธรรมเป็นอารมณ์แล้วไปไหน สมมติถ้าเอานะโอ้โหเราสแสวงหาบุคคลที่เรารักมากถามว่ามีคนรักเป็นอารมณ์เนี่ยจะไปไหนดีก็น้าคิดนะว่าเออคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยการทําปริญญาในเรื่องมหาพูดนะขอมาเห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยนะว่าใส่ใจทุกอย่างให้มันเป็นมหาพูดมหาผีแล้วก็มหาสารพิษเนี่ยนะใส่ใจไว้เถอะทุกทวารเนี่ยนะกำหนดก็บอกว่าปัญหาน้อยที่สุดนะกำหนดได้แค่นี้จริงๆของเรานะีฟังเออเย็นแนอนแข็ง ปฐวีธาตุอาโปเตโชวาโยฟังไม่ยากแต่เชื่อไหมมองโรงแรมเนี่ยคืออิฐมาปั้นปั้ น, นก่อก่อกันขึ้นจริงหรือเปล่ามหาพูดนะมหาพูดมาก่อร่างสร้างตัวเนี่ยถ้ามองเป็นชั้นชั้น่างามนะถ้ามาคิดไอ้มันก็เหมือนกับปลวกนะเนี้ยก็ฉลาดเท่าปลวอกอะแหละสามารถสร้างอยู่อย่างนี้ได้กราถามว่าเราคิดในลักษณะนั้นไหมเออทั้งหมดนั้นคือมหาพูดได้เวลาแต่งมหาพูดแล้วได้เวลาอาบล้างให้มหาพูดแล้ว ได้เวลาเพิ่มอาหารให้มหาพูดแล้วไปนต้นได้เวลาให้มหาพูดพักผ่อนแล้วได้เวลาไปดูมหาพูดแล้วมหาพูดจะเคลื่อนย้ายมหาพูดไปอีกแล้วแต่ถ้าไม่ใส่ใจไว้แบบนี้เนืรูปประขันเนี่ยอย่าหวังเลยว่ากำหนดได้จนมองทุกอย่างคือมหาพูดทั้งหมดนั่นแหละจึงจะจึงจะเป็นไปได้นี่นะใส่ใจโดยความแต่เป็นธาตุดินล้วนๆหรือใส่ใจว่าเป็นน้ำล้วน สมมติว่าทุกคนที่นั่งอยู่นะในร่างกายนี่มีน้ํากี่เปอร์เซ็นต์70เปอร์เซ็นตในร่างกายก็มองเห็นเป็นน้ํานั่งอยู่ไหมก้อนน้ํานั่งอยู่ไหมก้อนเนี้ยคือใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดของเราเนี่ยน้อยเต็มทีเนี่ยนะมันอย่าคิดว่ามหาพูดนี่เจริญง่ายนะใครที่ก้าวล่วงมหาพูดโดยประการทั้งปวงคือใครคือพระอรหันต์การกําหนดมหาพูดนี่แหละแม่เป็นกรรมฐานที่เรียกว่าน่าเจริญมากๆเลยหอมมาค่อยๆเจริญเนี่ยมหาพูดกรรมฐานดูแล้ว ปัญญาไม่ค่อยมากเอามหาพูดติว่ากําหนดเรื่องอื่นนะมันซับซ้อนไปหมดเลยมหาพูดนี่มันง่ายดีเบื่องหลังของอารมณ์ทุกอย่างที่เรารับรู้ในทวารหกนะั่นคือมหาพูดหมดเลยถ้าผู้ใดเห็นมหาพูดอย่างแท้จริงนะจะเห็นนิพพานมหาพูดเป็นสัจจะอะไรทุกสัจพระพุทธเจ้าสอนว่าปัวีธาตุปัตตวีธาตุสมุทัยปัตวีธาตุนิโรธปัวีธาตุนิโร ธ, ธ, าโรธาคามิณีปฏิปทา ถ้ารู้จักพทวีธาตุได้จริงก็ต้องรู้จักทนิพานได้จริงเมื่อไหรนะ่นอที่เราจะใส่ใจว่าเนี่ยนะทุกอย่างคือมหาพูดโลกทั้งมวลล้วนแต่มหาพูดเทวดาก็มหาพูดนะพรหมเนี่ยรูปประพรหมทั้งหมดคือโลกของมหาพูดมหาพูดเนี่ยอมความไปถึงพรหมมาโลกเลยแหละแม้กระทั่งเพชรทั้งหลายก็อะไรก็คือมหาพูดพลอยทองเงินอาหารอะไรอะไร หรือแม้กระทั่งว่าในโลกของมหาพูดนะของปฏิกูลของสะอาดนะเบื้องหลังของหมดคือมหาพูดเหมือนกันของหอมกับของเหม็นเนี่ยนะก็คือเบื้องหลังของเขาก็คือมหาพูดอาหารเออย่างสมมุติว่าปลาเนะีเนื้อมันจริงๆริแล้วมันหอ ม, ม, หอมไหมเนื้อปลาเนี่ยจริงๆแล้วหอมหรือไม่หอมถ้าแต่งเป็นก็หอมเอาตินอีกพักหนึ่งหอมอีกพักหนึ่งก็ปฏิกูลอย่างไข่เนี่ยตกลงเป็นยังไงหอมหรือเหม็นก็คิดดูเหอะว่ากลิ่นทั้งหลายมัน ม, มีมหาพูดเป็นเหตุใกล้ ถ้าใส่ใจในมหาพูดจริงจะรู้แม้กระทั่งสีของมหาพูดรู้กลิ่นของมหาพูดรู้รสของมหาพูดแล้วก็รู้โพธพารมของมหาพูดสามารถใส่ใจได้วิเคราะห์ได้หมดเลยอันนี้เป็นเหตุใกล้แห่งรูปประคันจริงๆเราก็สามารถกําหนดรูปประคันได้เลยแหละแม้แต่ชีวิตที่เราคิดถึงชีวิตที่ผ่านมานะมีอะไรทนมหาพูดบ้างไหมคิดถึงชีวิตในวัยหนุ่มหนุ่มก็ อ, อะไรมาเครื่องวัดก็เอามหาพูดที่เช่น เส้นของมหาพูธมันสีออกดําหน่อยมันไม่ขาวอ่ะมหาพูดคือผมมันไม่ขาวนะมันดําๆเออนั่นแหละเรียกว่ามหาพูธคือผิวหนังมันไม่ย่นมากอนะเออนั่นแหละเป็นต้นก็เบื้องหลังคิดถึงก็คิดถึงมหาพูดคิดถึงบ้านก็คิดถึงมหาพูธจะไปอะไรก็จะไปรับใช้มหาพูดต่อไปก็ดูแลมหาพูธบํารุงมหาพุธถ้าใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดให้มากๆแล้วมหาพูดนี่พองศ์บอกว่าอะไรอัสสรพิษใช่ไหม ขนาดดูเลยให้อย่างดีนะอย่างเนี้ยของมานี่เห็นชัดเลยคนอื่นก็ดูแลมากเลยอาหารคนอื่นนะเขาโต๊ะเดียวเนี่ยเขาเขารู้เยอะคนมากเลยของเราเต็มโต๊ะไปหมดนะเสร็จแล้วก็มาไอแครกแเออเลี้ยงดีขนาดนี้นะมันน่าจะชื่อสัตว์กันบ้างอนะมารุงอย่างดีขนาดนั้นก็ยังใช่ไม่ได้อะไรนะรังนกวันละทั้งสองขวดก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนะี่ยยาก็เฮ้ยสารพัดที่นั่งที่นอนก็ดีหมดอนะแต่ว่า มหาพูดมันก็มหาพูดวันยังค่ํานั่นแหละเลีเ้ยงไม่เชื่อหรอกไม่หายหรอกโน่นน่ะหมดคอโน่นน่ะนจึงจะหายตายก็ไปข้างอะไรจึงจะหายมันหายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มก็เป็นใหม่เนี่นแหละมหาพูดเรื่องหลังจริงๆเนนะอย่างเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยนะอะไรเป็นเหตุใต้ของเสียงก็มหาพูดถ้าใครที่เรียกว่าตรึกอะไรจริงๆเลยนะมักมาก็ใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดเรามีเหตุผลอะไรต้องทําบาป พ, พ่อมหาพูดจําเป็นไหม เมื่อเรารู้จักความเลวร้ายของมหาพูดโดยประการทั้งปวงเนี่ยจําเป็นไหมที่เราต้องคิดเป็นอกุศลกับมหาพูดมันเป็นความหลอกลวงอย่างมากมายมหาศาลควรไหมที่จะเป็นกา ม, มสังกับตาในมหาพูดควรไหมที่จะพยายามในมหาพูดคิดเบียดเบียนมหาพูดเราต้องร่วงมิจฉาวาจาเพราะเหตุแห่งมหาพูดเลยหรือเราต้องทําอย่างนั้นเลยใช่ไหมถ้าใครที่กําหนดสมุดฐานแห่งมหาพูดไม่ดีพอ ตอนนึกว่าที่ได้ดีอยู่ทุกวันเพราะทำบาปมาการทำบาปแล้วได้มหาพูดเพิ่มเนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกว่ายมเป็นจาพูดอยู่คำหนึ่งเมื่อวานน่าสนใจเขาบอกว่าดึงเงินในอนาคตมาใช้คนที่ประโยค่าวิบัติแล้วบุญให้ผลนะนั่นคือดึงบุญในอดีตที่ควรจะได้รับโดยยุติธรรมนะมาใช้ซะก่อนคนที่ประโยค่าวิบัติแล้วบริบูรณ์ไปด้วยมหาพูดนั้นจึงเป็นความผิดอย่าง ชนิดร้ายแรงที่ทําชั่วแล้วร่ํารวยเป็นต้นเนี่ยนะก็คือดึงผลบุญที่ตัวเองเคยทําไว้ที่ที่รอเวลาอีกหน่อยแล้วบุญเหล่านั้นจะให้ผลก็ดึงเอามาใช้ก่อนอันนี้นี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าคุณเป็นจาทําอย่างนี้ผิดแต่เล่าเปรียบเทียบว่าผู้ที่ทําบาปเพตุผลจนต้องทําบาปเพราะมหาพูดเสร็จแล้วเออเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นอยู่สบายดีแต่ไม่ใช่พอมาชอบเปรดเรื่องหนึ่งว่า เปรตเขาเสียใจนะว่าเขาโกงไว้มากทําบาปไว้เยอะเอาไว้ให้ลูกหลานแล้วลูกหลานเอาไปทําอะไรอ่ะติดเหล้าเล่นการพรานันเมาแฮ่กินเลี้ยงเมาแผล่คิดถึงไหมเออเนี่ยพ่ออุตส่าห์โกงไว้ให้แม่อุตส่าห์เนี่ยทําบาปเอาไว้ให้เอาไว้เลี้ยงลูกเป็นต้นแล้วลูกคิดยังไงเพระาะฉะนั้นการใส่ใจการพิจารณาในสิ่งเหล่านี้จะต้องให้มากๆจริงๆเลยนะจนอะไร จนเพียงพอที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในในวัตฏะเลยแหละเพราะถ้าเราเราออกจากวัตฏะโดยที่เรียกว่าไม่คิดจะออกจากมหาพูดมันเป็นไปไม่ได้หรอกคือการวิเคราะห์ในระดับสูงจริงๆถ้ายังอาวอ์อยู่ถ้าอาวอ์ในการมาคุณอันเป็นของมนุษย์นะไม่ต้องคิดหรอกว่าจะได้เป็นเทวดาคิดง่ายๆเลยไงนะถ้ายังอาไลอาวรณ์ในการมคุณอันเป็นของมนุษย์อย่าหวังว่าจะได้เกิดเป็นเทวดา ถ้ายังอาว و ์ในการมคุณอันเป็นของมนุษย์ของเทวเวลาก็ อ, อย่าหวังว่าจะเกิดในผมมโลกถ้ายังอาวล์วัฏฏะในภูมิสามอย่าหวังว่าจะปรินิพานไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้น่าฟังไหมการทำปริญญาในมหาภูตหรือว่ากรรทาปริญญารูปขันในลักษณะของพระสูตรนะดีนะผมสนใจในในเรื่องของการทาปริญญาในกามเนี่นะ ก็เปลี่ยนจากมหาพูดมาเป็นวัตถุกรรมเนี่ยนะโอ้ได้เรื่องเลยนะไปกันได้อย่างดีเลยมหาพูดทั้งหลายก็คือวัตถุกรรมแล้วก็ก่อให้เกิดกิเลสกรรมอะไรเนี่ยอันนี้ก็คงจะถอดออกมาเป็นเทปได้อย่างดีนะพอมาเพิ่มเข้าไปตอนบ่ายนีอีกหน่อยใช่ไหมใครจะมีอะไรเพิ่มเติมไม่ให้พอาจารย์พักนั่งคอเจ็บใครจะมีปัญหาถามอะไรอีกหน่อยไหมถึงเวลา ย, ยัางกี่โมงแนละ้วสามงคึ่ง สมาชิกบอกให้อาจารย์พักจริงก็มีอะไรก็สนทนากันก็ได้นะเพราะว่ามีเวลาเยอะเรามีเวลาจนถึงทุ่มครึ่งนะจริงๆแล้วกว่าจะออกจากที่นี่นะเพราะว่าที่อื่นก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็มีอะไรก็สนทนากันนะก็ใครจะมีปัญหาแล้วมีปัญหาได้มวก็พอดีดิฉันก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรนะฮะมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงชีพตอนนี้ดาวเบี้ยมันก็น้อยนะคะสมัยก่อนเราก็คิดว่าเออถ้าหากว่า เราออกจากงานเนี่ยเราได้เงินมาเนี่ยมันก็คงจะมาฝากธนาการเพื่อที่จะได้เอาไว้สําหรับใช้แต่นี้ที่ฉันก็เอาไปซื้อหวยอมซินนะคะถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ เ, เรียกว่าลาบต่อลาบไหมก่อนน้ำมันสการ ถ, ถามท่านค่ะคือเกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาชีพเนี่ยนะเพื่อเป็นอยู่ในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้ า, าไม่ได้ห้ามอะไรหรอกใช่ไหมไม่ได้ห้ามเลยเพียงแต่ว่า โดยที่สุดนแะแม้พระภิกษุเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องโทษของมหาพูดใช่ไหมแต่พระองค์เนี่ยสอนให้พระภิกษุทั้งหลายปลีกจากมหาพูดโดยประการทั้งปวงใช่ไหมมหาพูดคือเครื่องนุ่งห่มที่เราจะต้องห่มมหาพูดคืออาหารที่ต้องบริโภคมหาพูดคือที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนมหาพูดคือหยกยาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วถามว่าพระองค์สอนให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างราไรไม่กระทั่งพวก คารว่าทั้งหลายการประกอบอาชีพก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมพองศ์ก็สอนว่าถ้าค้าขายองค์ประกอบของผู้ค้าขายคืออะไรก็ต้องมีต้นทุนมีอะไรโดยตามองค์ประกอบพองศ์ก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ให้รู้ค่าที่เป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยประโยชน์สูงสุดของสิ่งเหล่านั้นคืออะไรนํามาซึ่งอะไรเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเราบริโภคอาหารก็เพียงเพื่อให้กายเหล่านี้อยู่ได้ อย่างผู้ที่เจริญอาหารเรตปฏิคูลสัญญาเนี่ยเขาทานอาหารไหมทานแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการทานอาหารเพื่ออะไรคือเขาบอกว่าในสูตรอนะอาศัยมหาพูดเพื่อละมหาพูดถ้าเทียบแบบสูตรอื่นๆอาศัยมานะละมานะเป็นต้นนะอาศัยตันหาละตันหาอาศัยอาหารละอาหารนี่ก็เหมือนกันก็ต้องเกี่ยวข้องกับมหาพูดแต่ประพฤติให้ชอบกับมหาพูดเป็นศาสนาเดียวที่สอนให้ออกจากมหาพูดแต่ห้ามโกรธมหาพูดนะ ห้ามโกรธนะห้ามทะเลาะด้วยนะห้ามคิดเบียดเบียน ด, ด้วยนะแต่คิดโลกของมหาพูดตามตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าหาความเลวร้ายของมหาพูดเท่าที่มันมีอยู่เห็นความน่ายินดีของมหาพูดเท่าที่มีอยู่ธงบอกว่าเราค้นหาอาาัศธาแห่งมหาพูดตามที่มหาพูดมีอยู่ขณะเดียวกันก็ค้นหาความเลวร้ายของมหาพูดเท่าที่มีอยู่ แล้วก็ตามสแสวงหาการตัดฉั้นราคาจากมหาพูทเท่าที่มีอยู่อันนี้คือลักษณะของพระพุทธศาสนางานวิจัยที่เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงเพื่อบรรลุอริยสัจคือการเที่ยวหาความยินดีของมหาพูทเท่าที่มันมีอยู่รู้ว่ามหาพูทนี่น่า ย, ยินดีแค่ไหนเป็นต้นแล้วก็ตามหาความเลวร้ายของมหาพูทเท่าที่มีอยู่แล้วก็อีกสุดท้ายคือทํำยังไงที่จะออกจากมหาพูทได้ ว่ามหาพูดเนี่ยนามาซึ่งความเดือดร้อนจริงๆใครที่ที่ต้องบริหารมหาพูดนะเราเห็นเลยว่าเขาเดือดร้อนมากๆเลยหมูสัตว์ใดก็ตามที่ให้ค่ากับมหาพูดเหมือนกับคนที่ไปคิดในสิ่งที่ตัวเองไม่มีอํานาจในสิ่งเหล่านั้นนะอย่างที่เมื่อเช้าที่ปุปมาว่าถ้าเราเนี่ยมาเป็นเจ้าของโรงแรมตรงนี้มีลูกนอ้องมีอะไรทั้งหมดแล้วสั่งอะไรงานไม่ได้สักอย่างเลยนะถามว่าน่าสนใจไหม เขาให้เป็นใหญ่นะเดินไปที่ไหนก็หลบหน้าเราหมดเลยเขาไม่ต้องการเห็นหน้าเราโดยประการทั้งปวงแล้วเราเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีอํานาจในที่นี้เนี่ยถามว่าเราหน้าสงสารหรือว่าหน้ายัางไงหน้าสงสารมากใช่ไหมเราเลี้ยงมหาพูดของเราทุกวันอย่างนั้นเหมือนกันแลเราคิดว่าเนี่ยร่างกายของเรามหาพูดของเรานะเรามีอํานาจในสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเข้าใจผิดมากเลยนะมันเป็นความวิปลาสของเราจริงๆนะที่เราเข้าใจผิดต่อ มหาพูดในร่างกายของเราเนี่ยโดยเฉพาะในร่างกายภายในเราเนี่ยเราเข้าใจผิดมากๆเลยอะว่าเรามีอํานาจในสิ่งเหล่านี้เรายังงั้นอย่า ง, างเงี้ยนะนี่เพราะความอะไรวิปริตต่อต่อมหาพูดของเราแท้ๆเลยอะเป็นความน่ากรุณาของเราอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เราไปคิดว่ามหาพูดเนี่ยเรามีอํานาจใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราไม่มีอํานาจมหาพูดเหมือนแต่ว่ามาเป็นเจ้าของที่นี่แล้วลูกน้องหลบหน้าหมดเลย เดินไปตรงไหนเขาก็หลบหน้าเราหมดเลยนะเราพูดอะไรเขาก็ไม่สนใจถากถางเรากลับมาทุกครั้งเลยเนี่ยถามแหมมันน่าเบื่อไหนขนาดไหนแต่ถ้าผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาจะเห็นว่ามันไม่น่าสนใจแต่ผู้ไม่มีปัญญาเขาว่างไงก็เราเป็นใหญ่ณที่นี้แลเรามีอำนาจหน้าที่นี้แลแต่จริงๆถ้ามองแบบคนภายนอกมองมานะอุยหน้ากรุณามากเราทั้งหลายที่ติดข้องในมหาพูดถ้าในสายตาพระอรหันต์จะชมเราไหม ท่านว่าไงโอยสัตว์ทั้งหลายอัพเพสตาสัพพาทุกขาประมุลจตุเมื่อไรท่านทั้งหลายจะพ้นทุกข์เนะาะแบนั้นน่ะนี่เมื่อไรท่านจะเลิกเมาในมหาภูทธทีเนะาะแบบนั้น